สำคัญที่การปฏิบัติถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติสู้พวกที่ไม่ได้บวดแต่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าบวชแล้วไม่รู้จักคาว่าภาวนาก็ไม่รู้ว่าบวชมาเพื่ออะไรเพราะาศาสนานี้เป็นาศาสนาที่เน้นที่การ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 ถ้าภาวนาถึงแม้จะไม่ได้บวชก็จะได้รับผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือการบรรลุมรรคผลผนิพพานนี่เองเรื่องของการบวช น, นี้มันเป็นเรื่องที่จะตามมาในภายหลังในสมัยพระพุทธกาลนี่ มีผู้บรรลุมากผลนิพพานก่อนแล้วค่อยขอบวชความจริงก็เป็นนักบวชมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้บวชตามที่ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเช่นเป็นนักบวชมันเป็นพระต่างๆบำเพ็ญศีลแล้วก็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 ก็ขอบวชบวชเป็นพระในบวลพระพุทธศาสนาขอบวชกับพระพุทธเจ้าเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่มีสาวกตอนที่ตัดสัรู้ใหม่นี้สาวกที่เคยมีอยู่ห้ารูปคือพระปัญจวัคคี ก็ไม่ได้ติดตาหรอกอุปธรรมอุปถ า, ปาแยกทางกันไปส่งตัดสรูด้ด้วยตามลำพังไม่มีใครห้อมร้อมหลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้ส่งตัดสรู้นี้มาสอนให้แก่พระปัญจวัคคี พอพระ พ, พระจักษ์ว่าขี่ได้ยินได้ฟังก็นำมาไปปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าขอเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าตอนอย่างนั้นก็ส่งไปโปรด บรรดานักบวชตามสำนักต่างๆพอได้ฟังธรรมได้บรรลุ ธ, ธรรมก็ขอบวชกันดังนั้นการบวชนี้ก็เป็นเพียงแต่การสแสดงเจตจำนงว่าจะดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วได้พบกับผลอันประเสริฐมาแล้วจึงอยากจะแสดงความ <c oughs> จริงใจต่อคำสอนอันประเสริฐของพระพยยรุทธเจ้าและวิธีการปฏิบัติที่เลิศที่นำไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายนันการบวชในสมัยพระพุทธการก็เป็นการบวชลังจากที่ได้บรรลุกันในช่วงแรกๆต่อมาก็มีการขอบวชกันโดยที่ยังไม่ได้บรรลุเพียงแต่ว่าพอได้ยินได้ฟัง คำสอนก็เกิดศรัทธาก็ขอบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะชีวิตของคารวะผู้ครองเรือนจะมีภารกิจมากจะมีเรื่องลายเรื่องราวมาก มีความวุ่นวายรบกวนใจมากทําให้การบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นไปได้ยากถ้าอยากจะบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จำเป็นจะต้องออกบวชกัน อันนี้เป็นเรื่องของเหตุผลของการออกบวนการออกบวนนี่ก็เพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนากันอย่างเต็มที่นั่นเองไม่ต้องมากังวลกับเรื่องภารกิจการงานต่างๆของขาา้าราชกที่ต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ของตนเองและของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องเสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ มีความทุกข์ตามมาเป็นเงาตามตัวดังนั้นการบวชจึงเป็นการออกจากกามนี้เองคือการไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะจะหาความสุขจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา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 เพราะถ้าไม่มีวิปัสสนาภาวนาเวลาออกจากสมถภ า, าวนาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาที่ถูกอำนาจของสมถภ า, าวนากดไว้ก็จะออกมาแสดงตัวเวลากิเลสตัณหาแสดงตัวก็จะทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ ถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาสิ่งที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาความการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภ ค, ความอยากต่างๆ แ, และสิ่งที่ กิเลสตัณหาโรคอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอไม่ได้ให้ความสงบแต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะสิ่งที่ความโลคความอยากอยากได้นี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้มาเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนไปของใหม่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 เพราะว่าของที่ได้มามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเจริญมีการเสือ่อมเวลาได้มาใหม่ๆก็ใช้งานได้ดีทุกประการพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มชำรุกทุกส่รไม่สามารถใช้งานได้ตามที่เคยได้ใช้งานมาอันนี้เป็นตัวอย่างของอ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 พอหยุดกิเลสตันหาได้ความความความอยากหายไปความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะกลับสู่ความสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิอันนี้เป็นการร <c oughs> ักษาความสงบที่ได้จากสมถ ภ, ภาวนาด้วยการใช้วิปัสสนาภาวนา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 ตั้งแต่ขั้นสุวดาบันขึ้นไปขั้นสกิดาคามีขั้นอนดาคามีจนถึงขั้นพระอรหันต์ก็เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมต่างๆที่จิตไปหลงยึดจิตหลงอยากได้อยู่อันนี้แบบเป็น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 ดูแลรักษาเงินทองถ้าไม่มีภาระเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วการรักษาสินก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะภาวนาได้อย่างเต็มที่นี่จึงเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยนั้นสละกันไป หเพื่อจะได้ออกบวชเพื่อจะได้รักษาศีลอย่างเต็มที่และภาวนาการอย่างเต็มที่การทำอย่างนี้จะทำแบบนักบวชก็ได้หรือทำในในในฐานะของขราวาสก็ยังก็ทำได้เช่น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 มีดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมต่างๆได้ดางนั้นพอได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วทมที่ต้องปฏิบัติก็คือการเจริญสติอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ ในสติปัฏฐานสี่นี้มีการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็เจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาในเบื้องต้นส่งสอนให้เจริญสติเพื่อทําใจให้สงบก่อนด้วยการไปนั่งตามโคนไม้ไปนั่งตามประถานที่ที่สงบสงัด แล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปนสติหรือกายคตาสติลมหายใจนี้ก็อยู่ที่ร่างกายการดูลมนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายคตาสติก็ได้หรืออานาปนสติก็ได้คือให้มีสติอยู่กับร่างกายร่างกายส่วนที่ เป็นลมหายใจเข้าออกก็กําหนดดูลมหายใจเข้าออกไปเพื่อควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆใจจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความอุเบกขาได้จําเป็นจะต้องระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆการที่จะระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้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 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องที่จะเกิดขึ้นไปภายในอนาคตเ ร, คเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปคิดให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวหรือในทุกกิริยาบทของกา ร, ร ก, การะทา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 น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกนี่คืออาการ32ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายพิจารณาดูแต่ละอาการไปจนเห็นชัดเจนตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของของตอนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีก็จะเห็นอาการ32สอง เห็นท no well. be really ้งภายนอกเห็นท้งภายในการเห็นร่างกายแบบนี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่หลงว่าร่างกายนี้สวยงามน้ารักน้าอยู่ใกล้ชิดถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าไม่สวยงามร่างกายเป็นสิ่งที่มีส่วนที่สกปรกที่ถูกขับถ่ายออกมา อยู่ตลอดเวลาพิจารณาเพื่อจะได้ต้านกระแสของกามอารมาของการมราคะของกามปัญหาถ้าไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายถ้าไม่เห็นความศกดิ์สิทธของร่างกายก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้น่ารักน่าสวยงามน่าเอามาครอบครอง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 มีสามีมีภรรยาก็เพราะว่าสู้การมาลมไม่ได้เวลาเกิดการมาลมแล้วอยู่คนเดียวรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหว่ต้องมีคู่ครองมาดับการมลลมนี้แต่การมาลมนี้ไม่ดับจากการที่มีคู่ครอง ดับก็ดับเพียงชั่วคราวหลังจากที่ได้เสกกรามไปแล้วแต่พอทิ้งไประยะสักระยะหนึ่งการลารมนี้ก็จะกลับเืินมาใหม่ก็ต้องเสกใหม่ถ้าไม่เสกก็จะวุ่นวายจะทุกทรมานใจ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 ให้รู้ตามความเป็นจริงคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าเวทนานี้มีสามส่วนมีสุขเขาวเวทนามีทุกข์เขาวเวทนามีไม่สุขไม่ทุกข์เขาวเวทนามีการเปลี่ยนแปลงไปสลับกันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์บ้าง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 ธรรมารมที่เป็นอนิจจังทุกขังนะตาที่จิตยังยังหลงไปยึดไปติดว่าเป็นสุขว่าเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตาอยู่เป็นของจิตอยู่ก็ต้องพิจารณาจนปล่อยวางถ้าปล่อยวางหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตล้วนๆจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีความหลงไม่มีความโลภความอยาก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 ธรรมานุปะสะัสนาสติปฐานก็พิจารณาอนิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาริยสัจสี่นี้ก็กันเรียกว่าเป็นธรรมทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้เองอนี่แหละคืองานของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องทาที่ตรงนี้ ต้องทำในสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนการเป็นคารวานี้มีอุปสรรคเท่านั้นเองเพราะว่ามีภารกิจอย่างอื่นมาคอยแย่งเวลาของการปฏิบัติไปจึงจำเป็นต้องตัดภารกิจต่างๆออกไปแล้ว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 การเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญกายเวทนาจิตธรรมนี้เท่านั้นถ้าเป็นคารวาจเจริญได้ก็บรรลุได้ <S <S เป็นนักบวชเจริญได้ก็บรรลุได้เหมือนกัน <S <S ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคาววตแต่อยู่ที่ว่าจะมีเวลาที่จะปฏิบัติได้หรือไม่เท่านั้นดังนั้นขอให้เราอย่าไป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 ก็คอยุติไว้เพียงเท่านี้อใครอยากจะถามปัญหาไหมพระอาจารย์ครับเมื่อกี้มีโยมเขาฝากถามมาว่าจะหยุดความคิดระหว่างลืมตาได้ยังไงครับพรอาจารย์ก็เนี่ยใช้พุทโธเลยนะถ้าเราคิดแต่พุทโธพุทโธเราก็ไปคิดเรื่องอื่ น, นไม่ได้ความคิดนี้จะคิดได้ทีละเรื่องถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้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 มันเหมือนเป็นการชั ก, กเยอะกันตอนเริ่มต้นนี้เขามีสิบคนเรามีคนเดียวเราก็สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามพุทโธพุทโธบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกําลังของพุทโธก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปกําลังของเขาก็จะสู้เราไม่ได้ก็ higher. จะอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเราก็สั่งให้เขาคิดได้สั่งให้เขาหยุดได้ เพราะเรามีกำลังมากกว่าฝ่ายคู่ต่อสู้คือฝ่ายของกกเรตันหาเกเลตันหาตอนนี้เขามีกำลังมากกว่าเพราะเขาไม่เคยมีใครมาท้าทายมาต่อสู้กับเขาเลยตั้งแต่เราเกิดมา จ, จนก่อนที่มาได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เราไม่รู้จักคำว่าพุทโธเลยเราไม่เคยรู้จักคำควบคุมความคิดของเราเลย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 ผู้ต่อสู้ที่จะต่อสู้กับความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหากันแล้วเร่งแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี้ก็เป็นเหมือนอนักมวยสมัครเล่นไปก่อนน้มลุกคุก ค, คานไปก่อนแต่ถ้าพยายามไปได้เรื่อยแล้วต่อไปก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็จะสามารถควบคุมความคิดหยุ่ความคิดได้สร้างความคิดได้ ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ท่านสั่งความคิดได้สั่งให้หยุดได้สั่งแม่ให้คิดไปในทางกิเลสตันหาได้สติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือพุทโทธก็เป็นสติอย่างหนึ่งจะใช้อย่างอื่นก็ได้จะใช้สวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์อรหังสัมมาสวากาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้แต่ท่องอาการสาสิบสองไปก็ได้ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะท่องอนนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟอย่างนี้ก็ได้ขอให้มันอยู่กับธรรมะคิดอยู่กับเรื่องของธรรมะก็เป็นปัญญาเป็นสติที่จะเบกกิเลตันหาอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความตั้งใจต้องมีความมุมานะต้องมีความตั้งใจ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 ได้สติได้หยุดความคิดปูงแต่งได้ปัญญาได้ความสงบ ก, การฟังธรรมจึงมีคุณมีประโยชน์มากสมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลาก็สําคัญก็คือการฟังธรรมที่จะให้ได้ผลจริงๆนั่งคนจะฟังในขณะที่กายวาจาใจสงบคือไม่ควรทําภารกิจอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าบางคนคิดว่าเปิด ธรรมะไปแล้วก็ทํางานทําการไปนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะใจยังทํางานอยู่ใจยังไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้ยังคิดกับเรื่องงานที่กําลังทําอยู่ก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าจะได้ประโยชน์จริงๆต้องนั่งเฉยๆอย่างที่เวลาพวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันกายว่าใ จ, าจาสงบนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดคุยกันไม่ทําอะไร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 เพอเมื่อไหร่พอได้สติก็เดินกลับมาพุทโธใหม่ดึงกลับมาใหม่เดิกลับมาใหม่เลยเขาดึงไปเราก็เดินกลับมาเขาดึงไปเราก็เดึงกลับมาเราดึงบ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะชนะเขาเองไม่รู้ครับตอบคำถามอะไรก็ไม่รู้มีคำถามตกค้างจากทาง a ฟ e b o o k เพิ่มเติมครับจากคุณอำนาจนะครับการทำบุญอย่างไรที่เป็นการทำลายศาสนาทางอ้อม โดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบและการทำบุญแบบไหนที่เป็นการสืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบแท้จริง <Jenna> <c ười> ก็ทำบุญที่มันเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีเช่นาาถาวรและวัตถุที่อยู่อาศัยของพระนี่สร้างกันวิจิตพิสดารเนืองกับพระราชวังอย่างนี้อันนี้ก็ทำบุญแบบทำลายศาสนา เพราะว่าการกินอยู่ของพระนี้ต้องเรียบง่ายต้องสันโดดมักน้อยไม่ใช่รู้หละเหมือนกับคารา่าสผู้เสพการนั้นการที่เราไปถวายข้าวถวายของหุ้มเฟยต่างๆถวายรถเบนท์รถโรสลอยถวายเครื่องบิน <c oughs> ถวายของที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของที่จะ เหมาะสมกับคารวะนักบวชอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายศาสนาเพราะจะทำให้พระที่มาบวชที่หลังเห็นเป็นตัวอย่างทุกคนก็จะพุ่งไปที่ที่พระที่ได้ราบสักการะเหล่านั้นเห็นพระท่านมีกุติราคาสิบล้านก็อยากจะสร้างสักหลังหนึ่ ง, งก็พยายาม หลอ ก, อกล่อหรือพูดจาหวานล้อมให้ศรัท ธ, ธาญาตโยมมาสร้างถวายให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นคือปัจจัยสีต้องสมเหมาะสมกับอาสา ม, มัญเพศเหมาะสมอย่างไรก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ตามโคนม้าท่านจะใช้ผ้าบางสกุล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 ให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากการบินธบาตการบินธบาตนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชเป็นประโยชน์ทั้งนักบวชและผู้ที่ได้ใส่บาตรเพราะการบินธบาตนี้เป็นการโปรดสัตว์คือทําให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทําบุญทําทานได้มีโอกาสทําบุญทําทานถ้าพราไม่ไปบินธบาลคนที่อยู่บ้านบางทีเขาไม่มีเวลาที่จะมาวัดที่จะมาทาบุญใส่บาตร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 ของพระที่เพ่งกระทำนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือบางสกุลใช้ผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งเศษผ้าต่างๆที่ใช้แล้วที่คารวาะญาติโยมไม่ต้องการแล้วทิ้งไว้ในป่าช้าบ้างทิ้งไว้ในกองขยะบ้างผ้าที่ใช้ผอสด บ, บ้างอันนี้ก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาสะสมไว้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 วิจิตพิสดารอย่างไรมันก็เป็นผ้าเท่านั้นอร่างกายก็เป็นเหมือนศพอยู่ดีๆนี่เพียงแตศพที่ยังเดินได้ยังหายใจได้เสื้อผ้าที่จะมาใส่ก็เป็นเหมือนผ้าห่อศพดีๆนี่ดังนนการที่ไปเก็บผ้าห่อศพมาห่อศพอีกทีมันก็เป็นจะน่าจะลังเกียตรงไหนนี่คือการใช้ผ้าบางสกุลกิจที่เพิ่งกระทําของพระข้อข้อที่สามก็คือที่อยู่อาศัยก็ ให้อยู่ตามสถานที่สงบสงัดในปา่าตามโคนไม้ถ้าไม่มีกระตอ๊อบไม่มีแค่ไม่มีอะไรก็อยู่ตามโคนไม้ไปโคนไม้มันมีร่มมันจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะได้บําเพ็ญจิตตภาวนาหรือถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาจะสร้างที่พระอาศาัยให้ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเ ข, ขาสร้างให้อยู่อย่างไรก็อยู่ไปก็สําคัญขอให้หลบแดบดบหลบฝนได้ ป้องกันภัยต่างๆได้แล้วก็ให้อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ <S <S อันนี้ก็คือกิจที่พระพึงกระทำข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือเรื่องของยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ใช้น้ามูดนี่คือน้ำปัสวะถ้าไม่มียาก็ใช้ดื่มน้ำปัสวะเอาให้รักษาด้วยการดื่มน้าปัสวะไป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 การจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องไม่วุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปให้ใช้หลักของมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดหรือเอาของที่มันถูกของที่มันทิ้งแล้วอันนี้จะจะง่ายกว่าที่จะไปอยากได้ของใหม่ของดีต่างๆจะทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเวลาอยากแล้วไม่ได้นี่คือกิจที่ พระพึงกระทำสี่ประการด้วยกันที่อุปชายยะจะต้องสอนทันทีหลังจากที่บวชเสร็จแล้วและกิจอีกสี่ข้อที่ไม่พึงกระทำก็คือหนึ่งไม่ให้เศษกรามสองไม่ให้ฆ่ามนุษย์สไม่ให้ลักทรัพย์สี่ไม่ให้อวดอุตริคุณธรรมอันวิเศษที่ตอนเองไม่มีอันนี้ถ้าทำแล้วคิดว่าขาดจากการเป็นพระทันที นี่คือเรื่องของอกิจของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอุปัชฌายะผู้บวชกุลบุตรสั่งสอน ท, ทันทีถ้าเพราะว่าถ้าไม่สั่งสอนแล้วกระทำไปแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างมากตามมาต่อไปคือพูดเพื่อให้ญาติโยมรู้ว่าเวลาถวายของเข้าของให้กับพระควรจะถวายแบบไหนยอย่างไร นั่นเองอย่าไปส่งเสริมให้เกิดกิเลสในใจของพระหาแต่ของดีๆของวิเศษของหายากมาให้ขันของพิสดารต่างๆมาใช้มาเองเหมือก็จะทาให้พระลูกอื่นที่ไม่มีบารมีแต่เกิดความอยากได้ก็ต้องดิ้นลนหากันเองก็จะไปทำจิตที่ไม่พึงกระทาได้แต่ถ้ามันมาด้วยจิตศรัทธา น, นี้ก็ห้ามไม่ได้ บางทีเราพบครูบาอาจารย์เรารักเราเคารพท่านเราอยากจะให้ให้ของดีๆของวิเศษกับท่านนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของศรัทธาแล้วเรื่องของความไม่เข้าใจของการกินอยู่ของพระซึ่งคระวาสยอดเยยมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กันอันนี้ก็เลยบางทีก็ต้องปล่อยตะเลยตามเลยไป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 สมถะวิปัสสนาภาวานาก็กลับมาหาราบสการะกันเท่านั้นเองเทานั้นะมีอะไรไห<อ>มกลับเรียนถามค่ะเพื่อนปอักมากลับเรียนถามว่ามีภาระทางครอบครัวเยอะมากค่ะแล้วก็เกรงว่าจะรับภาระไม่ไหวเนี่ยค่ะแล้วก็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 ได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าเราทํามาเท่านั้นแหละปลูกข่าวันนี้จะให้มันออกดอกออกรวง ว, วันทุ่งนี้เลยไม่ได้มันก็ต้องเสียเวลารอเวลาก่อนอผลที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากเหตุที่เราทําไว้ในอดีตฉะนั้นก็ขอให้ทําใจถ้าทําใจแล้วก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจจะอยู่ได้จะมีผล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 ความจำเป็นจริงๆไม่ได้สั่งสอนด้วยความอยากอย่างสมมติเราเป็นกาลาวะเราเราเรียนรู้กาัมากพอเรามาบวชเป็นพระหนึ่งพันสาก็จะไปขึ้นธรรมาสไปแสงหน้าแสงตาครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชมายี่สิบสามสิบพันสาอย่างนี้มันก็แสดงว่าทำด้วยกิเลสตัณหามันไม่ได้ทำด้วยความจำเป็นไม่ได้ทำด้วยเหตุ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 ก็ยังไม่ได้สกัดเอาพวกกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆออกไปจากใจดังนั้นผู้ที่มาบวชเป็นควรที่จะซ้าเจียมเนื้อเจียมตัวเก็บเนื้อเก็บตัวยังไม่ถึงเวลาพูดยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวถึงเวลาพูดได้พูดเองไม่ต้องกลัวรอให้พูดที่เขาใหญ่กว่าเอาผู้โสกป่าเขา หมดไปก่อนถ้าออกมาแสดงอวดความรู้ความสามารถนี่มันก็ออกมาตามอำนาจของกิเลสตัณหาเท่านั้นแหละถ้าเราหลบหลีกไปอยู่คนเดียวแล้วคนดันทุ่ลังไปหาแล้วไม่มีใครสอนเราก็สอนเขาได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นแสดงว่าเขาอยากจะมาศึกษากับเราโดยตรง แล้วถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยาก็สอนไปแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าเพิ่งไปสอนเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเป็นความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิจะทําให้พากันหลงทางกันได้ดังนั้นต้องเดินตามแนวที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ขั้นตอนคือศึกษาก่อนปริยัต ขั้นที่สองก็ปฏิบัติขั้นที่สามก็ปฏิเวหรือต้องบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนถ้าบรรลุถึงมรรคผลนิพพานแนละทีนี้ก็ค่อยเผยแผ่สั่งสอนต่อไปสมัยนี้มักจะมีปริยัติแล้วก็ขั้นปฏิบัติไปข้านปฏิเวทไปแล้วก็ไปสั่งสอนกันเลยก็สั่งสอนกันแบบผิดผิดถูกๆมีทุกรูปแบบอย่างนี้ มีคนมาเล่าให้ฟังวิธีปฏิบัติแต่ละวิธีมีหลากหลายด้วยกันอันนี้มีวิธีนั่งสมาธิแบบเหวี่ยงตัวไม่รู้เหมือนกันก่อนต้องต้องเหวี่ยงตัวมันถึงจะสงบถ้าไม่เหวี่ยงแล้วมันไม่สงบนั่งนิ่งๆแล้วมันว่องมันอยับต้องเหวี่ยงตัวอีกหน่อยก็ต้องสมาธิแบบดิสโก้ก็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 ดิสก็ดูอำนาจของกิเลสตัณหาความหลงนี่มันรุนแรงขนาดไหนเพียงแต่ได้ได้สมาธิได้อภิญญาทั้งนั้นก็คิดว่าตนนัวเองได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วแต่หารู้ไหมว่าเป็นเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ได้เป็นธรรมเลยเป็นกิเลสลุ่นล้ว น, ว น, วนเป็นเครื่องมือของกิเลสลุนล้วนอภินญาต่างๆ เพราะแทนที่จะดับอัตตาตัวตนอัตตาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตกับส่งเสริมให้อยากเป็นใหญ่เป็นตัวจะถึงกับอดทนไม่ได้ต้องขออนุญาตขอเป็นผู้ปกครองสองแทนพระพุทธเจ้าเลยแค่นี้ก็มองไม่เห็นกิเลสของตนเองแล้วคนที่ไม่มีกิเลสไม่ต้องขอแล้วเราก็ไม่อยากเป็นด้วยเป็นไปให้เหนื่อยทําไมอยู่เฉยสบายอยู่แล้วทำไมต้องไปปกครองเขาให้เหนื่อยยากเปล่าๆการที่เป็น ปกครองนี้เพราะเขามาขอร้องให้ปกครองอย่างพระพุทธเจ้าคนมาขอบวญกับพระพุทธเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันจะไปขอให้เป็นอาจารย์ของเขาไม่ใช่นะม <c oughs> มันต่างกันคนที่มีเกเรกับคนที่ไม่มีเกเรมันต่างกันคนที่มีเกเรนี้จะมีความมักใหญ่ไ่สูงอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นครูเป็นอาจารย์บวชได้พาสษาก็ขอแยก แยกตัวไปตั้งสำแนักของตนเลยจะได้เป็นใหญ่ถ้าอยู่สำแนักของครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ตรองล้นก็โถนต้องล้างซ่วมต้องกวาดถูเช็ดถูสาราล้างบาตรปฏิบัติกินกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าแยกไปอยู่คนเดียวเป็นเจ้าสำแนักก็เลยกลายเป็นอ า, อาจารย์ไปเป็นเป็นเจ้าอาวาสไปใครมาอยู่กับตนก็ต้องเป็นผู้มารับใช้ตน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 ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะครูบาอาจารย์ท่านผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแล้วตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ถูกสอนให้เป็นให้ตัดความอัตตาตัวตนให้ละมานณะทิฏฐิต่างๆ อันนี้เป็นตัวร้ายกามากคือตัวอัตตาตัวตนเนี่ยถ้าไม่กำจัดมันตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่คอยกดมันไว้เนี่มันจะแผงฤทิดขึ้นมาได้ง่ายแต่ถ้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าอ่ตัวนี้เป็นตัวร้ายกาแต่ถึงแม้ขนาดร้ายกาถึงแม้ได้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วบางทีมันก็ยังถูกมันหลอกได้ อย่างพระเทวทันก็ถูกมันหลอกได้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้คุณวิเศษได้คุณธรรมที่วิเศษขึ้นมาก็หลงตัวเองหลงคิดว่าตนเองนี้ยิ่งใหญ่แล้วคุณธรรมวิเศษจริงๆนี้จะทำให้อัตราตัวตนมันน้อยลงไปทำยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่อัตราตัวตนนั้นยิ่งจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ตนไม่มีอัตตาตรงเหลืออยู่เลยถึงคำขั้นวิเศษขั้นสูงสุดนี้อัตตาตัวตนนี้จะไม่มีเลยมานะหายไปเลยแต่ถ้าไปแค่ขั้นสมาธิแค่ข้าขั้นอภิน ญ, ญานี้กิเลสไม่ได้ตายแม้แต่ตัวเดียวกิเลสกลับจะเจริญใหญ่โตขึ้นไปใหญ่เพราะความหลงคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วแล้วก็จะถูกกิเลสตัณหาทาลายไปในที่สุดอย่างเทวทัศน์ก็ถูก ปัญหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตทำลายไปพอไม่ได้ดังใจก็โกรธอาคาดพยาบาทถึงพยาถึงกับพยายามปองพชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันอันนี้แหละดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติทางนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องอัตตาตัวตนนี้ให้มากอย่าถือเนื้อถือตัวพยายามลดอัตตาตัวตนอย่างที่ทรงสอนว่าให้ทาตัวเหมือนเป็นปัพี เป็นเหมือนแผ่นดินให้คนอื่นเขาเหยียบให้เขาย่ำกันใครก็อยากจะอ่ทําอะไรกับแผ่นดินนี้แผ่นดินไม่รู้สึกกระเทือนเลยใครจะเทอุจจาระปัสสาวะลงดินดินไม่ร้องไม่ไม่บ่นไม่ว่าอะไรใครจะขุดดินใครจะทําอะไรกับดินดินไม่มีความรู้สึกอะไระใจของผู้ที่ปราเถนาความุดพ้นอยากอัตตาตัวตนจำเป็นจะต้องทําตนเองให้เป็นเหมือนปัตภี ทำให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าขี้ริ้วหอทองหาแล้วนะคิดว่าพอสมควรกิเวลาคอยทุกคนนำมอาอไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไป